เพราประโยชน์ไม่ค่อยมากนักนะเนะแต่ขนาดนั้นเขาก็ภาพเพี้ยนเหลือเกินเนี่ยนะกระหวาประพฤติในสิ่งที่ไม่เป็นสาระคิดดูนะดูนกจนเป็นนกนะถ้าคิดคิดเลยนะถ้าเป็นมีนกเป็นอารมณ์ก่อนตายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นนกแค่นั้นแนหะถ้าดีหน่อยเขาก็จับมาขังกรงเลยแต่เป็นนกอยู่กรงทองไม่น่าสนใจอไหมเพราะฉะนั้นการเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าในสมัยโบราณเนี่ย ท่านถือว่าการเห็นพระพุทธเจ้าเป็นการดีสมัยนั้นนะทั้งๆ ท, ที่เขาไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ากันเนี่ยเขาถือว่าการเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นการดีเพราะได้ข่าวว่าพระอรหันต์มาเขาจะไปดูกันอย่างนี้ประเทศไทยนะเมื่อวันที่ยี่สิบกว่าเนี่ยนะประมาณยี่สิบยี่สิบห้าถอยหลังไปเนี่ยนะมีพระธาตุจากสามประเทศคือประเทศศรีลังกาที่หนึ่งประเทศพม่าที่หนึ่งแล้วก็ประเทศไทยที่หนึ่งสามสามสามประเทศเนี่ยนะ ก็เป็นพระธาตุที่เขาไปจัดนิทรรศการให้ประชาชนเนี่ยไปเฝ้าไปบูชาเนี่ยมาหลายประเทศแนละ้วตั้งอเมริกาเป็นต้นเนี่ยก็มาที่ประเทศไทยที่ที่พระาธาตุาเอ่อพระาธาตุระาธาตุตากผ้านะพุทธบาทตากผ้า่อไปนะของดัมมาก็เลยกลับประจากษ์นี่ก็ไปบูชาพระาธาตุต่อเลยก็เลยไปบูชาพระาธาตุบอกว่าต้องรีบไปนะเพราะพรุ่งนี้เขาจะเอากลับแล้วว่าือนกัน ก็เลยรีบไปตอนแรกเขาชวนก็ทําเป็นเฉยๆเพราะไม่รู้ว่าเป็นพระธาตุตอนหลังก็ไปก็ประชาชนนี่หลังไหลไปมากไปมากก็ดีใจว่าการที่เข้าไปเหล่านั้นเพื่อประรับนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุเชื่อว่านั่นแหละเป็นอุปนิสัยแห่งความพ้นทุกข์ของเขาเขาถึงอย่างไม่รู้อะไรมากมายก็ตามเธอแม้กระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งพรามเนี่ยไปกราบ สถานที่ที่เคยประดิษฐานเจดีย์ของพระพุทธเจ้าเข้าไปกราบนะประกราบแผ่นดินธรรมดาเนี่ยแหละซึ่งตอนนั้นไม่มีเจดีย์แล้วนะพระพุทธเจ้าอนุโมทนาดีแล้วพราหมณ์นะแล้วพระองค์ก็ตอนหลังพระองค์ก็เนรมิตให้ดูภาพเจดีย์ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาในคาถาธรรมบทว่าบุคคลเนี่ยนะไม่สามารถนับบุญด้วยวิธีการใดๆว่าบุญที่ กราบพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภาษาวกเลยนะผู้ก้าล่วงปัปปัญจะทำผู้ก้าวล่วงโโกับบริเทวะดับดับทุกได้แล้วเนี่ยว่าบุญเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่หรือใช้วิธีนับด้วยวิววธีใดเนี่ย น, นับไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้ามีคุณไม่มีประมาณภาษาวกที่เป็นพระอริยะทั้งหลายก็มีคุณไม่มีประมาณฉันบุคคลเมื่อมีสัตทินรียกราบไหวและเลิศถึงท่านเหล่านั้นบุญที่ไม่มีประมาณก็จะเกิดขึ้น อันนี้แหละเป็นอุปนิสัยเพื่อความพ้นทุกข์ของเขาถึงตอนนี้เขายังไม่เข้าใจอะไรมากมายแต่บุญเหล่านี้จะอุปถัมภ์เขาเอาไว้ว่าในวัฏฏะอันยาวไกลเขาจะไม่ลําบากก็มีอย่างเงี้ยนะถ้าทัศนากว่านั้นอีกก็ดูพระไตรปิฎกนี่แหละทัศนามากกว่านั้นนะก็ดูพระไตรปิฎกนี่แหละทัศนาที่สุดแล้วถ้าถ้ามองในแง่นี่ยนะเพราะว่าจะได้เห็นสรีระของพระองค์คือเห็นพระธาตุอย่างเมื่อวานที่กล่าวไปเนี่ยนะ ก็ถึงเห็นพระธาตุก็ไม่ได้เชื่อว่าเห็นพระองค์อะไรท่า น, นี้ถ้าจะกล่าวแบบระดับสูงขึ้นไปอี ก, ก น, นะแต่ถ้าเทียบคนไม่ไหว้กับคนไหว้ไหนดีกันเราก็ว่าคนไหว้ดีมากชมและชมดีกว่าไม่ไหว้กันแล้วกันแต่ถ้าไหว้พระธาตุแล้วนะถ้าอ่านพระธรรมด้วยจะเห็นว่าผู้พระธาตุอันเนี้ยเคยทรงคุณอะไรไว้บ้างเคยมีมีอรหันตคุณอะไรรองรับบ้างพระธาตุเหล่านี้เป็นพระธาตุที่เรียกว่าทรงไว้ซึ่งความเป็นพธาตุหันของพระพุทธเจ้า นะเป็นพระาธาตุที่เป็นพระาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเป็นต้นเป็นพระาธาตุของผู้ทรงไว้ซึ่งวิชาและจรณะเป็นพระาธาตุของผู้เสด็จไปดีแล้ว <possibly S 1> เป็นพระาธาตุของผู้รู้แจ้งโลกนะนะทั้งสังขารโลกสัตว์โลกและอกาสโลกเป็นพระาธาตุของผู้ที่ไม่มีใครเยี่ยมยิ่งกว่านี้อีกแล้ว <soap? S 1> เป็นพระาธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ปลุกสัตว์อื่นให้ตื่นเป็นพระธาตุของผู้จําแนกแกะแงง พระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นพระธาตุของผู้ที่ทรงคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะมีสติประญานสัมา ร, ประปทานอิทธิบาทอินทรีย์พร ะ, ละและโพชฌงดังนั้นการอ่านพระธรรมทาให้เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นได้ยิ่งขึ้นในที่สุดเราก็สามารถเห็นอริยสัจจะทำที่พระพุทธเจ้าสอนเช่นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอแม้กระทั่งสังขารของพระพุทธเจ้าผู้มีสรีระประดุดเพชรสังขารเหล่านั้นก็ยังแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดา สังขารทั้งหลายเป็นเช่นนี้เองนะสังขารทั้งหลายว่างเปล่าจากความเพี่ยงแท้หนอเนี่ยนะไม่มีความยั่งยืนอยู่ในสังขารไม่มีความสุขอยู่ในสังขารผู้ที่รอบรู้ในกองสังขารตับฉันราคะคือต้นเหตุให้สังขารเกิดเสียได้ผู้นั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงเพราะว่าผู้ที่แบกสังขารสร้างสังขาร น, นี่ชื่อว่าเป็นความทุกข์อย่างแท้ นะนะเขาก็เเขามีการเปรียบกันว่าระหว่างคนไม่เห็นทาระยะกับเห็นด้วยจากคุูวิญญาณไหนดีกว่ากันก็ได้เห็นดีกว่าถ้าเห็นแล้วได้นั่งใกล้กับไม่ได้นั่งใกล้คนนั่งใกล้ก็ดีกว่านั่งใกล้กับไม่นั่งใกล้ไหนดีกว่ากันนั่งใกล้ดีกว่าถ้านั่งใกล้แล้วได้ฟังไหนดีกว่ากันได้ฟังดีกว่าถ้าหากว่าได้ฟังแล้วทรงจาไว้ได้กับจาไม่ได้ไหนดีกว่าก็จาไม่ได้ดีกว่า คนที่จำได้แล้วเอาไปเพ่งต่อไปไข้ควรต่อไปพิจารณาต่อกลับไม่เพ่งเลยไหนดีกว่ากัน <_ d ota> ก็เพ่งดีกว่าถ้าเอาไปเพ่งแล้วไปเจริญตามนั้นจริงๆกลับเข้าใจแต่ไม่เจริญไหนดีกว่ากันเ <_ d ota> จริญดีกว่าคนที่เจริญแล้วเจริญจนบรร ล, ลุกับไม่บรร ล, ลุไหนดีกว่ากันก็บรรลุถ้าบรรลุสกาทาคะโสดาบันกับพระสกาทาคามีไหนดีกว่ากันก็ไล่ไปอย่างนี้ก็เป็นท่าอรหันน่ะดีกว่า เป็นพระทหารกับเป็นพระพุทธเจ้าทั่วเป็นพระทหารทั่วไปเป็นพระพุทธเจ้าไหนดีกว่าก็เป็นพระพุทธเจ้าดีกว่าก็ <S <S ไล่ไปไล่มาถ้าพูดชาวบ้านทั่วๆไปได้ฟังก็ดีแล้วได้เห็นก็ดีแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็ต้องพอกพูนไปกว่านั้นอย่าสันโดษอยู่ในบุญเท่านั้นเลยนะแต่ในขณะเดียวกันนะบางคนเนี่ยได้ไหว้บ้างชาตินี้ก็นับว่าเป็นกำไรชีวิตแล้วก็เกิดมาเขาจะไม่สามารถทําอะไรได้เกินกว่านี้ จะนั่งฟังธรรมนี่ไม่ได้ก็ได้เวลาฟังธรรมก็กลับเวลากลับนี่มันจะพอดีกันเตะเลยก็อนัตตาเห็นพระเจดีถ้าโดยให้บริบูรณ์อย่างแท้จริงอันนัถ้าเห็นพระพุทธเจ้าอย่างตอนนี้อ่ะคือเห็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยยิ่งดีเพราะว่าจริงๆแล้วสังขารของพระองค์พระธาตุของพระองค์ก็ประกาศอริยสัจให้เห็นชัดได้ใช่ไหมสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอย่างแท้จริงแม้แต่สังขารของผู้มีบุญขนาดนี้ก็ยัง ยังไม่เที่ยงแล้วอีกไม่นานสังขารนี้ก็อันตรธานหายไปจากโลกเนะอีกไม่นานนักสังขารนี้ก็จะอันตรธานไปจากโลกสัตว์ทั้งหลายจะไม่มีโอกาสรู้จักพระพุทธเจ้าองค์นี้ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าพนามว่าเมตยะเกิดขึ้นในโลกจากได้ประกาศตํานานพุทธวงศ์คือพระพุทธเจ้าองค์นี้รออีกพุทธันดรเราจะได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าองค์นี้โดยสังเขปจากพระพุทธเจ้าองค์ขรั้งหน้า เพราะฉะนั้นเรามีเวลามีโอกาสก็รีบศึกษาเอาไว้ให้เพียงพอในตอนนี้แหละนะรีบอ่านไว้ให้มากเธอซ่องเสพไปให้มากเธออย่าได้เสียใจในภายหลังเลยนี่นะทีนี้ต่อไปมาดูสวนานุตรยะถามว่าสวนานุตริยะเป็นอย่างไรดูกวามพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้างเสียงพินบ้างเสียงเพลงบ้างหรือเสียงสูงสูงต่ำต่อ่านะก็ฟังอะไร ก็มาหากรรมดนตรีเนยมายังนึกออกสมัยไมเคิลแจ็กสันมาประเทศไทยเนี่ยโอ้ยแห่กันไปสนามกีฬาเนี่ยเต็มหมดเลยเในห้องเรามีคนไปไหมอ๋อมีน่ะเนะี่ยก็มีตั้งหลายคนนะก็ไปเพื่อฟังเสียงสูงํำๆเนะี่ยนะย่อมไปเพื่อฟังธรรมของสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดบ้างไปฟังอกุศนกรรมบทสิทธิ์เนี่ยก็ฟังกันมากมายเนี่ยนะ ดูกวามพิสุดทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการฟังนี้เนี่ยเป็นการฟังอันะเลวเลวยังไงก็เพราะว่าเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยช น, นนะ์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำนังไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิง่ง ไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อพันนิพานนะก็ฟังเพลงจนนิพานได้ยังไงเนี่แล้วก็ฟังมิจฉาทิฏฐินจะไปนิพาน์อะไรเนี่ยนะบุญยังไม่ทําเลยอย่างไงเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้โลกหน้าไม่ได้เป็นไปเพื่อมรดผลนิพานอะไรเนี่นนานายนะดูการพิสูจทั้งหลายส่วนบุคคลใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่ง ย่อมไปฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคตคำว่าฟังธรรมนี่ฟังอะไรอริยสัจธรรมเนี่ยนะก็คือไปฟังอริยสัจธรรมของของพระตรถาคตหรือสาวกของพระตรถาคตหรือผู้ที่แสดงธรรมตามพระตรถาคตเนี่ยนะเรียกว่าสาวกเนี่ยดูความพ่สูนทั้งหลายการฟังนี่แหละประเสริฐกว่าการฟังทั้งหลายรเราเคยดีใจไหมว่าโหประเสริฐยิ่งใหญ่จริงๆว่าการฟังอริยสัจของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศาสตร์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกกระปริเทวะเพื่อดับสูญแห่งทุกข์และโทมานต์เพื่อบรรลุญาตยธรรมเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้ง น, นะดูกวามพิสูจนทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของพระตะถาคตนี้นี้เรียกว่าสวานานุตรยะนี่ยนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอนุตริยะอย่างอย่างยิ่งจริงๆเพราะว่าเป็นการฟังเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นะเนยดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงพวกการพูดอยู่คำหนึ่งนะเนี่ยน่าน่าคิดพูดอยู่นานแล้พูดคําว่าพระไตรปิฎกนะเราคงได้อ่านรอบนี้เป็นอาจจะเป็นรอบสุดท้ายก็ได้ะการฟังวิชานี้อาจจะฟังครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตก็ได้คือเราต้องคิดให้ดีนะว่า อย่างโยมคนหนึ่งนะที่คุ้นเคยกันเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยหูเสียไปข้างหนึ่งแล้วนี่อีกไม่ลานนะมันกําลังอักเสบอยู่เหมือนั้นไปหาหมอหมอก็ให้ยาลดแก้อ่าลดอักเสบไปยาลดความบวมเหมือนกันให้บวมมันลดลงซึ่งไม่แน่อาจจะได้เจาะ อ, อีกครั้งหนึ่งนะหมายถึงใช้สว่านเจาะแล้วก็ดูดเอาน้องออกเหมือนะซึ่งไอ้ข้างก็ถูกเจาะไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็นี้ก็รอว่าอันนี้มันจะถูกเจาะ อ, อีกหรือเปล่า เขาเขาเป็นเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่แล้วนี่นะปกติเขาก็เป็นหน้าที่สายนี้อยู่แล้วแหะเขาก็พอมีความรู้อยู่เขอบอกว่ายอมพอคํานวณได้เลยใช่ไหมว่าอายุการใช้งานมันควรจะเท่าไหร่ก็บอกว่ารู้แต่ผมก็จะไปจนกว่ามันจะจ ะ, จะเครียกว่ามันสุดยอดนั่นแหละมากกว่าจะไปได้ก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะตามันจะดูไม่ได้หูมันจะฟังไม่ได้แต่ถ้าทำที่ทรงจำเอาไว้ได้อันนั้นี่ะต้องไม่ทิ้งต่อไปเนี่ยไปตรึก เพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาพระธรรมจนสามารถเอาไปตึกเอาไปเพ่งเอาไปพิจารณาได้ตอนหลังตาจะเสียหูจะนวกตาจะบอดใจของเราก็จะไม่ขอทิ้งพระธรรมนี่นะมันเราก็ศึกษาให้ถึงจุดนั้นให้ได้ถ้าถึงศึกษาจุดที่เระว่าจิตอยู่กับพระธรรมไม่ได้ชีวิตของเรานี่น่าสงสารนะนะเพราะว่าถ้าตาเสียหูเสียแล้วไปคุยกันยังไง ร, รู้เรื่องเอาใครไปคุยด้วยเอา ถ้าเสียงดีขนาดไหนก็กรอกไม่เข้าหูอยู่แล้วก็ราหูมันหนวกไปแล้วนะเขียนหนังสือสวยขนาดไหนพิมพ์จอใหญ่ๆไปให้ตาบอดสแลกมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นก็เรีบขวนขวายไปเถอดเท่าที่จะทําได้แต่ในขณนะเดียวกันก็คิดให้ดีนะว่าไม่ใช่ซะเอาซะจนเลยเถิดนะตามันยังไม่บอดอ่านซะบอดพอดีเลยก็ไม่ใช่นะก็เอาให้รู้จักประมาณก่อนแล้วกันที่จริงตอนนี้เราก็กําลังเรียนพระไตรปิฎกก็กําลังอ่านพระไตรปิฎกอยู่นะ ต่นี้ก็การอ่านนั้นก็พิจารณาความเหมาะสมให้ดีแต่อย่าหาเหตุผลจนไม่ต้องอ่านเนี่ย น, นะอ้างโน่นอ้างนี่ก็อ้างกับความตายเอากันแล้วกันอ้างว่าอย่าเพิ่งกลวยนะอย่าเพิ่งแก่นะอย่าเพิ่งตายนะอันนี้อ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่พอจะควนขวายได้ก็ควนขวายเถอะมีอยู่คำหนึ่ ง, งนะอยู่กับผู้การนี่ได้ตานานมาจากผู้การหลายเรื่องแล้วอีกเรื่องหนึ่ ง, งนะ เขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยถ้าผมซื้อด้วยเงินได้ผมจะซื้อจะได้เอาเวลาไปศึกษาเขาว่ากั้นอย่างถ้าผมไม่ยอมซักเองแลอกผมจะได้ไปมีเวลาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ย น, นะอันนี้ก็แสดงว่ามันก็ต้องกล้าเสีย <c oughs> คือคือมันต้องเสียสละบางอย่างเพื่อที่จะเอาบางอย่างอาจารย์สันติแนะนํายอมคนหนึ่งเขาบอกว่ามันจะต้องรู้จักลงทุนบ้างสิถ้าจะออกจากวัดต่าเนี่ย น, นะอันนี้ก็ ก, ก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอนะมีหลายคนนะเขาพูดใช้คําว่า คอย5ปีเขาจะเรียนโอ้โหเขามายังนึกไหมเขาจะไปเรียนที่ไหนอีกตั้ง5ปีเนี่ยนะเขาจะไปเรียนกับใครไปเรียนที่ไหนแล้วถ้าตอนนั้นมันมีสงครามไปแล้วจะไปอ่านตรงไหนแล้วกันเนี่ยนะหาเหตุผลแล้วขับวันตะการพุ่งแล้วนัวนะ่นแหละะก็หลายๆคนก็ไม่ก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าถ้าเขาไม่คว้าเอาไว้ให้ดีตอนนี้เขาเดือดร้อนแน่ในตอนหน้าพระไตรปิฎกเนี่ยนะเพราะว่าตรงๆแล้วกําลังจะหมดไปจากโลก ที่หมดมันมีใครอ่านสักเท่าไหร่หรอใครที่ลงเว็บไซต์ธรรมะเนี่ยนะดูไหมคนไปเปิดอ่านสักเท่าไหร่เนี่ยนะเฮ้ย อ, อ่านอ่านรูเรื่องเท่าไหร่แล้ะถึงอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็ตามเถอะถึงอยู่ในแผ่นเนี่ยนะก็ถามคนที่มีคอมด้วยมีคอมพิวเตอร์ด้วยมีแผ่นถ้าตายบิดดอกด้วยเปิดอ่านกนี่รอบเนี่ยนะถ้าเปิดแล้วมันก็ไปเรื่องอื่นซะก่อนนะนะโน่นอะพูดูเวลายังพอมีก็อ่านซะหน่อยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ที่คือมันไปเรื่องอื่นสะหมดเลยพันแสดงว่าเราวินิจฉัยสาระอาสาระ ไม่เพียงพอเราไม่รู้ว่าอะไรมันคือสาระจริงๆรูปประคันเนี่ยมีส่วนไหนมันพอเป็นสาระได้บ้างก็มีแต่ฟันมั่งยังแข็งกว่าเพื่อนหน่อยนะอื่นๆก็ผูกกร่อนไปเรื่อยอ่ะขนาดฟันยังผูกเป็นใช่ไหมอันนี้ส่วนรูปนะมันดูมันแข็งแรงที่สุดแล้วส่วนนามธรรมล่ะอันนัแล้วปัญญาเป็นต้นเนี่ยหรือกุศลธรรมทั้งหลายพอที่จะเป็นสาระแล้วมันเกิดได้สักกี่เท่าไหร่แล้วกุศลอันนี้พอหรือยัง ที่จะนำออกจากวัตะได้นะถ้ายังออกไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้น